ในประเทศไทยนั้นมีวัดมากมายที่สามารถเดินทางเข้าไปทําพิธีเพื่อสักยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่วัดใดก็ได้ก็สามารถที่จะทําการลงอักขระให้พระสงฆ์ผู้ที่ลงอักษรหรือว่าสักให้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างชํานาญการแล้วจึงสามารถสักยันต์ให้ได้เนื่องจากไม่ใช่เพียงแค่ศิละปะในการสักเท่านั้นในระหว่างสักยันต์ก็จะต้องมีการสวดมนต์หรือท่องคาถาไปด้วยพร้อมๆกันหรือเรียกง่ายๆ ก็คือเมื่อมีการสักยันไปปากก็ต้องท่องมนไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็หมึกที่ใช้ในการสักนั้นก็จะต้องเป็นหมึกที่ถูกผสมขึ้นมาพิเศษหรือเฉพาะอาจารย์ที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นเท่านั้น ในส่วนนี้เราจะแจ้งให้ทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการสักยันต์สิ่งที่น่าสนใจก็คือประวัติแล้วก็ความเป็นมาของการสักยันต์แต่ก็ยังมีวิธีแตกต่างที่ต่างกันออกไปในการสักยันต์โดยคุณผู้ฟังสามารถฟังแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์ที่ใช้ในการสักยันต์นั้นมีทั้งสีขาวและสีดําหรือจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะก็คือมีทั้งเวทมนต์ที่ดีแล้วก็เวทมนต์ที่ไม่ดีที่สามารถใช้ในการสักยันต์ค่ะ พระสงฆ์และอาจารย์ผู้ชำนาญในการสักยันแต่ว่าไม่ใช่พระจะใช้วิธีปฏิบัติหรือว่าการใช้บทสวดที่แตกต่างกันไปค่ะ ศิลปะการสักยันในเอเชียเป็นต้นกำเนิดจากประเทศกัมพูชาโดยการสักยันนั้นได้รเริ่มจากเมืองโบราณที่ชื่อว่านครวัดและคงอยู่มานานกว่า 1,000 ปีแล้วสั ญ, ญลักษณ์ที่ใช้เขียนหรือว่าสักยันจะเป็นภาษาของโบราณและภาษาบาลีพุทธพระคำที่ได้รับการรับรองแล้วตัวอักษรที่ใชในการสักนั้นก็จะมีความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่าอักขระหรือว่าอักษรา สำหรับยันเป็นคำที่ใช้เรียกรอยสักนะคะมีต้นกําเนิดจากาศาสนาฮินดูและถูกประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและผสมผสานกับเวทมนต์หรือไสยศาสตร์เพื่อนําไปใช้เป็นตัวแทนของพระเจ้าและสืบทอดมามากกว่า1000ปีรูปแบบของการสักยันส่วนมากมักจะใช้เป็นรูปทรงเลขาคณิตซึ่งจะเป็นแกนสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายการสักยันจะปราศจากส่วนประกอบ3อย่างที่แตกต่างกันไม่ได้นั่นก็คือยันตรา ตัวหนังสือภาษาบาลีและเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องหรือเรียกง่ายๆคือคาถาที่พระอาจารย์ใช้ท่องเวลาลงอักขระค่ะการสักยันเป็นที่นิยมมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกรัรมพูชาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนั้นรวมถึงประเทศไทยด้วยจะมีประเพณีเกี่ยวกับการสักยันต์การสักหลักด้วยวัตถุประสงค์หลักก็คือการต่อสู้และก็การรบเพื่อการป้องกันตนเองแต่ว่าสมัยก่อนนะคะผู้หญิงส่วนน้อยมากจะมีรอยสักซึ่งในสมัยก่อนนั้นนักรบจะมีรอยสักและก็ข้อความที่ไม่สามารถมองเห็นได้ที่หน้าอกหลังและก็แขน ยันที่ศักนั้นจะช่วยเพิ่มกำลังให้แข็งแกร่งขึ้นและอดทนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ อีกทั้งความพ่ายแพ้หรือว่าเสียชีวิตนะคะถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เชื่อในความมหัศจรรย์ของเวทมนต์ถ้าอย่างนั้นก็ลองใช้จินตนาการนะคะว่าคุณผู้ฟังกําลังนั่งอยู่กับนักรบ100คนในเต็นท์พระสงฆ์ที่เป็นสาวกของาศาสนาพุทธเดินทางมาเพื่อที่จะทําพิธีสักยันต์ให้แก่ท่านสักอะไรก็ได้ตามแต่ที่จะทําให้ท่านมีความแข็งแกร่งและก็ความอดทนในขณะเดียวกันการสักยันต์ก็จะเป็นขั้นตอนที่เจ็บปวดพอสมควรนะคะ แต่ถ้าหากว่าตัวท่านเป็นนักรบท่านจะสามารถกำจัดความเจ็บนั้นได้เป็นอย่างดีในขณะที่พระสงฆ์ทำการสักยันต์ก็ทำการสักนั้นนะคะก็จะมีการสวดมนต์ตลอดเวลาเพื่อเป็นการเพิ่มความคลงังแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่รอยสักหลังจากการสักแล้วก็สวดมนต์เสร็จสิ้นสิ่งที่ท่านจะได้รับกลับมาคือยันที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปรียบเสมือนเป็นการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกรบ ถึงแม้ว่าสิ่งนี้ในความคิดของคุณคือนั่นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักรบคือผู้ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนื่องจากพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทั้งก่อนออกทำสงครามพวกเขาได้มีแรงจูงใจและพละกกำลังเพื่อที่จะออกรบสิ่งนั้นแหละที่พวกเขาได้รับจากรอยศักยันที่ศักดิ์สิทธิ์คือพลังกาลังแรงจูงใจและที่พึ่งทางจิตใ จ, จและร่างกายในการสู้รบค่ะ สำหรับวัฒนธรรมการสักบนผิวหนังนะคะเรียกว่าการสักลวดลายบนผิวหนังหรือที่เรียกว่าสักลายหรือสักยันต์ก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาช้านานแต่ว่าทุกวันนี้ลายสักหรือว่าสักยันต์ตามความเชื่ออย่างโบราณแทบจะไม่มีแล้วจะมีก็เพื่อความสวยงามเป็นการตกแต่งเสริมความงามให้กับร่างกายบ้างแต่ว่าไม่มากนะะักค่ะเรื่องราวของรอยสักหรือว่า รอยศักยันของคนไทยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจใครศึกษามากนักทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งแล้วก็นับวันจะสูญหายไปคำว่าศักคืออะไรตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ต, ตยสถานปีพุทธศักราช2525เขียนว่าสอเสือไมหันอากาศกอไก่ อ่านว่าศักนะคะคือการเอาเหล็กแหลมแทงลงไปด้วยวิธีการหรือเพื่อประโยชน์ต่างๆกันใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกแล้วก็ใช้จุ่มน้ำมันนะคะแทงไปที่ผิวหนังเพื่อให้เป็นแอคาระเครื่องหมายหรือลวดลายถ้าใช้หมึกก็เรียกว่าสักหมึก ถ้าใช้น้ำมันก็เรียกว่าสักน้ำมันค่ะทําเครื่องหมายสักเพื่อแสดงว่าเป็นหลักฐานเช่นการสักข้อมือก็แสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นชายชกันหรือว่ามีสังกัดกรมกองแล้วสักหน้าก็แสดงว่าเป็นผู้ต้องโทษประราชิกเป็นต้นค่ะจากคําอธิบายดังกล่าวทําให้รู้นะคะว่าการสักลายหรือว่าลายสักของไทยคืออะไรประเพณีการสักนั้นมีไม่แพร่หลายบางหมู่บ้านจะพบว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือว่าแก่มักจะมีรอยสัก ที่หน้าอกนะคะแล้วก็แผ่นหลังตามสมัยนิยมซึ่งในขณะที่ผู้ชํานาญการในการศักของท้องถิ่นแสดงความสามารถที่สืบทอดมาอย่างเต็มที่ผู้ที่ทําหน้าที่ศักก็จะมีทั้งพระสงฆ์แล้วก็คนธรรมดาการศึกษาค้นคว้าศิลปะชาวบ้านประเภทนี้ควรได้รับการศึกษาควรได้รับการบันทึกเกี่ยวกับการออกแบบกรรมวิธีและพิธีกรรมค่ะการศึกษาเปรียบเทียบแต่ละกลุ่ม ศึกษาค่านิยมและก็ความเปลี่ยนแปลงศึกษาการสักที่สืบทอดมาแต่โบราณการสักมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่สองแบบคือลายสักที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและลายสักที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่ละรูปแบบจะมีวิวัฒนาการตามแบบฉบับของมันและแสดงให้เห็นค่ะว่ารูปแบบของธรรมเนียมในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในแต่ละแง่แต่ละมุมของลาย ส, สักที่สืบทอดกันมาในสังคมไทยในอดีต การสักที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนักประวัติศาสตร์ซึ่งคุ้นเคยกับชีวิตแบบไทยๆคงจะทราบความจริงว่าข้าราชการของไทยจะทำตำหนิที่เข้ามือซึ่งเป็นหน้าที่ของแผนกทะเบียนเป็นผู้บันทึกแล้วก็รวบรวมสถิติชายและอาจจะเดาได้ค่ะว่าการสักเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งส่วนราชการของไทยหรือการสักเป็นไปตามการแบ่งส่วนราชการ การทำเครื่องหมายลงบนร่างกายนี้อาจจะมีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อพุทธศักราช 1,991 ถึง2 3 1นะคะสำหรับการสรักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อค่ะวัตถุประสงค์นี้หลักๆเลยนะคะของการสรักผู้ชายบางคนก็จะสักยันด้วยเหตุผลาทางเวทมนต์คาถาเพื่อความแข็งแกร่งของจิตใจแล้วก็ต้องการอยู่ยงคงกระพันซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประ เพลีนิยมในชนบางกลุ่มค่ะการสักลักษณะนี้จะสักให้เฉพาะชายชกันเท่านั้น การสักมีลักษณะที่สอดแทรกไว้ด้วยความเชื่อและพิธีกรรมหลายอย่างเช่นก่อนการทําการสักก็จะต้องมีทําพิธีไหว้ครูในการสักนั้นก็จะประกอบไปด้วยการไร้เวทมนต์โดยอาจารย์สักก็จะถูผิวหนังของผู้มาสักทั้งก่อนและก็ขณะสักหรือว่าจะเป็นการสักเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์สักแต่ละคนก็จะมีรูปแบบแล้วก็ลวดลายเป็นของตนเองและผู้ที่ต้องการจะสักสามารถเลือกลายที่อาจารย์มีอยู่ได้ตามต้องการ ส่วนมากก็จะเป็นสัตว์ในเทพนิยายแล้วก็เป็นอักขระขอมแล้วก็เป็นเลขยันอาจจะสักลายทั้ง3าประเภทผสมกันดังนั้นการสักของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะ ส่วนการสักยันในประเทศไทยอาจจะมีมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าจะมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่มีหลักฐานชัดเจนซึ่งการสักยันเพื่อให้อยู่โยงคงกระพันนั้นเชื่อนะคะว่ามีมานานแล้วดังที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็วรรณกรรมอื่นๆแต่ว่าการสักมักมองว่าเป็นเรื่องของนักเลงจึงถูกมองไปในทางลบทาให้ศิลปะบนผิวหนังประเภทนี้เกือบจะสูญหายไปจากสังคมไทย เหตุผลที่มีการสักยันยังคงอยู่ก็คือหลายๆคนค่ะยังเชื่อนะคะว่าการสักยันทําให้มีโชคแคล้วคลาดปลอดภยัยแล้วก็มีการอยู่โยงคงกระพันพ้นจากพยันตรายต่างๆซึ่งรูปแบบของการสักแต่และชนิดจะมีความขลังที่แตกต่างกันลายสักหรือว่ายันบางชนิดค่ะสามารถช่วยผู้ที่สักให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้ สั ญ, ญลักษณ์บางอย่างของลายสักก็สามารถทําให้ผิวหนังเหนียวได้เหมือนกันฟันแทงไม่เข้าศัตรูยิงไม่ออกซึ่งเชื่อนะคะว่าการสักแบบนี้จะช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้นั่นเองค่ะนอกจากการสักยันทางศิลศาสตร์ก็ยังคงเชื่อมโยงไปด้วยอันตรายแล้วก็ความปลอดภยัยทําให้แคล้วคลาดกับพยัตรายต่างๆได้ศิลปะพื้นบ้านประเภทนี้อาจจะกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจ มันอาจจะเป็นเครื่องแสดงความจริงต่างๆวัฒนธรรมสมัยใหม่นั้นเมื่อมองแล้วอาจจะไม่ทำให้ปลอดภยัยส่วนวัฒนธรรมการสักจึงช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภยัยเป็นทางหนึ่งที่ช่วยทำให้จิตใจของเขามีความมั่นคงแล้วก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนการสักยันที่มีลวดลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในบรรดาผู้ที่นิยมการสักคือการสักลายที่ทำให้ได้ผลทางไสยศาสตร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือหนึ่งเพื่อผลทางเมตตามหานิยมแล้วก็สองเพื่อผลทางด้านของการคงกระพันชาตรีค่ะ ในด้านของเมตตามหานิยมเนี่ยจะเป็นการสักเพื่อผลทางเมตตามหานิยมก็มักจะสักเป็นรูปจิ้งจกหรือว่าจะเป็นนกสาริกาเพื่อเป็นตัวแทนของความมีสเสน่ห์และก็เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปโดยเฉพาะให้ผลดีทางด้านการเจรจาการค้าขายทําให้เจริญรุ่งเรืองทํามาค้าขึ้นหรือเป็นลักษณะตัวอักษรยันเช่นยันดอกบัวยันก้นถุงหรือว่าจะเป็นยันพวกทระซับซึ่งก็จะมีผลในด้านของการเงินเป็นต้นค่ะ ส่วนในด้านของการคงกระพันชาตรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสักยันเพื่อให้แคล้วคลาดจากของมีคมอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายทั้งปวงลักษณะของลายสักก็เพื่อผลทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีจะนิยมสักลวดลายซึ่งเป็นตัวแทนความดุร้ายความปราดเปรียวความสง่างามความท้าทายได้แก่ลายเสือเผ่นหนุมานคลุกฝุ่น ลายหงแล้วก็ลายสิงเป็นต้นค่ะหรือว่าจะเป็นลายที่เปรียบเสมือนกรเาะป้องกันพยันตรายต่างๆเช่นก้าวยอดยันกระาะเพชรหรือว่าจะเป็นลายยันชนิดอื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะซึ่งเป็นแก่นแท้ของการสักยันเพื่อทางไสยศาสตร์ก็จะถือว่าเป็นหัวใจของการสักนั่นก็คือ หัวใจของคาถาที่กำกับลวดลายสักแต่ละลายเพราะว่าสิ่งนี้คือเคล็ดลับวิชาคาถาอาคมที่เป็นวิชาชั้นสูงของแต่ละอาจารย์ที่จะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใดเป็นอันขาดนอกจากลูกศิษย์ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชาการสักยันของอาจารย์ในรุ่นสืบไปนะคะ ลายสักดังกล่าวจะต้องถูกสักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ควรค่ะไม่เช่นนั้นความขลังก็จะไม่เกิดโดยมากผู้ที่มาสักก็จะประสงค์ให้ลายสักอยู่ภายในร่มผ้ามากที่สุดตำแหน่งที่นิยมสักเรียงตามลำดับก็คือแผ่นหลังต่อมาคือหน้าอกนะคะ นอกจากนั้นก็จะมีค่ะก็จะเป็นคอศีรษะไหล่แขนชายโครงหน้าและก็มือพร้อมกับหัวเข่าของบุคคลที่อยู่ในแวดวงการศัก์ลายซึ่งเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการศัก์ก็คือเพื่อผลทางไสยศาสตร์ค่ะจึงต้องศัก์โดยครูบาอาจารย์ที่มีวิชาอาคมศักดิ์สิทธิ์ในตัวโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนคารวะหรือว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีวิชาความรู้ทางด้านนี้จะไม่ได้รับการยอมรับ ครูและอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปและมีความศักดิ์สิทธิ์ของการศักดิ์ก็มักจะได้รับการทดสอบจนเห็นผลเป็นที่ร่ำลือกันมาแล้วนะคะจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งให้ความรู้นะคะว่าปัจจุบันอาจารย์ศักด์ที่ลงคาถาคมที่มีอนุภาพดังคำร่ำลือมีไม่เกินสิบสานักค่ะ ผลการศึกษาของนักวิชาการระบุออกมาแล้วนะคะว่าอาจารย์สักส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปมีประสบการณ์มากกว่า20ปีอาจารย์สักถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักเช่นเดียวกันกับผู้ที่มารับการสักยันโดยมากก็จะเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นส่วนน้อยซึ่งมักจะมาสักเพียงเพื่อต้องการที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามหรือต้องการมีสเสน่ห์ในการพูดจาเพื่อค้าขายนะคะฉะนั้นลายสักณนะหน้าทองแล้ว ก็สาริกาลิ้นทองจึงเป็นลายสักที่นิยมในเพศหญิงตรงกันข้ามกับฝ่ายชายที่มีความกระหายอยากจะได้ของดีๆติดตัว นี่ก็คือเหตุผลที่มาเป็นอันดับหนึ่งความศรัทธาเชื่อมั่นในครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่ชักชวนให้มาสักก็เป็นเหตุผลที่รองลงมาค่ะแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นจะต้องมีใจรักและเชื่อมั่นในเรื่องนี้อย่างเหนียวแน่นเท่าที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับการสักครั้งแรกไปแล้วก็มักจะกลับมาสักอีกครั้งเป็นอย่างน้อยบางคนอาจจะถึง10ครั้งขึ้นไปนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังแมว้ว่าทุกวันนี้จะมีผู้ที่เชื่อมั่นและศรัทธานในการสักอยู่แต่ก็นับว่าลดลงไปมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาและนับว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลายสักก็จะสืบค้นได้ยากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าขาดผู้ที่รู้แล้วก็ชำนาญ อาจารย์บางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์ทําให้นับวันผู้ที่รู้วิชานี้ยิ่งลดน้อยลงทุกทีอีกทั้งสังคมปัจจุบันก็ไม่ค่อยยอมรับคนที่มีลายสักโดยดุษฎีเช่นแต่ก่อนอีกแล้วนะคะในทางกลับกันค่ะทัศนคติของคนไทยในวันนี้กลับมองนะคะว่าคนที่มีรอยสักเป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อยเป็นผู้ที่มีอาชีพใช้แรงงานเป็นนักเลงหัวไม้หรือเข้าใจหนักลงไปอีกว่า คนที่สักลายคือพวกขี้คุกขี้ตารางที่มีลายสักซึ่งสักกันเองภายในเรือนจําประกอบกับการสักเป็นอุปสรรคในการรับราชการทหารตำรวจแล้วก็พลเรือนนั่นเองค่ะสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้การสักไม่ได้รับความสนใจเหมือนในอดีตก็คือชาวเมืองแล้วก็รวมถึงผู้คนทั่วไปก็มองถ่ะว่าผู้ที่มีลายสักนี่เป็นคนชั้นต่าเป็นคนนักเลงซึ่งความคิดเช่นนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกที่มองผู้ชายที่มีลายสักนะคะว่าส่วนใหญ่มักจะเป็น กะลาสีขี้เมาหรือคนจอนจัดค่ะคนเมืองก็เลยเกิดความรู้สึกว่าลายศัก์เป็นวัฒนธรรมของคนบ้านนอกคนไม่มีการศึกษาทัศนคติเช่นนี้ไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพ แต่ว่าได้แพร่เข้าไปสู่เมืองอื่นด้วยโดยคิดว่าการสักลายเป็นเรื่องของคนจนเป็นเรื่องของกรรมกรและก็คนบ้านนอกดังนั้นค่ะการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องลายสักจึงจะทาได้ยากในปัจจุบันเพราะว่าคนที่มีลายสักมักจะปกปิดลายสักไว้อย่างมิดชิดผู้ที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการสักจะเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในอานาจของศิลปะโบราณ น, นี้เท่านั้น ความเสื่อมอีกประการหนึ่งนะคะที่บีไปค้นคว้ามาก็คือผู้ที่ได้รับการสักปฏิบัติตนไม่เหมาะสมใช้ผลของการสักยันทางไสยศาสตร์หรือการอยู่ยงคงกระพันชาตรีไปในทางที่ผิดเช่นโอ้อวดท้าทายประลองต่อสู้กับผู้อื่นทำตนเป็นมิจฉาชีพก่ออาชญากรรมซึ่งส่วนนี้ก็มีผลผลักดันให้ค่านิยมของคนที่มีต่อลายสักเป็นไปในทางลบมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าตาราปลาตัวเดียวเน่ทาทั้งคลอง สำหรับผู้ที่มีลายสักจํานวนไม่น้อยที่อยากจะลบรอยสักนั้นทิ้งซะอาจจะด้วยความรู้สึกว่าเมื่ออายุมากขึ้นลายสักบนผิวหนังทําให้แลดูสกรปรกเลอะเทอะหรือทําให้คนตั้งข้อรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ในบางรายก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยไปสักไม่ได้ให้ผลทางศยลปศาส์แก่ตนเองแต่อย่างใดเพราะว่าความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันทําให้ไม่สามารถยึดถือปฏิบัติสัจจะที่ให้ไวอ้อย่างเคร่งครัดได้ ทว่าการลบรอยสักนั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่าหมึกที่ใช้สักถูกฝังลึกเข้าไปถึงชั้นของหนังแท้นะคะถ้าลบออกจะทําให้เกิดแผลเน่าน่าเกลียดแต่ก็อาจจะทําได้โดยกรรมวิธีศิลปกรรมตกแต่งก็คือลอกผิวหนังตรงที่มีรอยสักทิ้งไปแล้วก็เอาผิวหนังส่วนอื่นของร่างกายปะไว้แทนแต่ก็จะเป็นรอยแผลอ ย, อยู่ดีนะคะฉะนั้นจึงกล่าวได้ค่ะว่าการที่จะลบรอยสักโดยไม่ให้เหลือร่องรอยปรากฏอยู่เลยนั้นทําไม่ได้ค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยทำให้คนจำนวนหนึ่งหันไปใช้วิธีการสักด้วยน้ำมันแทนการสักด้วยน้ำหมึกก็เพื่อจะได้มองไม่เห็นลวดลายแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องการลบรอยสักออกไปเมื่อภายหลังตอนที่เราไม่ต้องการค่ะ การสักลักษณะนี้จึงทําให้ลวดลายที่สวยงามวิจิตรบรรจงแล้วก็สื่อความหมายในรูปแบบต่างๆเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยบรัณโบราณสูญหายไปทีละนิดทีละน้อยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้ความคิดแล้วก็ความเชื่อหลายๆอย่างเสื่อมถอยไปแต่ว่าลายสักก็ยังคงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของบุคคลหลายกลุ่มแต่จะยืดยาวนานไปสักเท่าไหร่นั้นก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ